มหาภูตารูปแต่ละอย่างนั้นเหมือนกับอสรพิษเลยเลี้ยงยากกว่างนกันจะพาะมหาภูตารูปแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นถ้าหากว่าเลี้ยงขาดความสมดุลถ้าหากว่าเราบำรุงาธาตุดินมากจะผิดาธาตุน้ําธาตุไฟและาธาตุลมถ้าบำรุงาธาตุลมมากจะผิดาธาตุดินาธาตุไฟและาธาตุน้ําอันแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นถ้าใครเลี้ยงไม่ดีมันก็จะกัดเอาอันมันกัดก็คือจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น มหาพุารูปนั้นเป็นรูปที่เป็นประธานของอุ ป, ป, อ า, ป, ปาทายรูปท่านจักขูปภาษาทะเวลาจะเกิดขึ้นก็อาศัยมหาพุารูปเกิดโตสตภาษาทะเวลาจะเกิดขึ้นก็อาศัยมหาพุารูปเกิดคาณาภาษาทะชิวหาภาษาทะกายาภาษาทะเนี่ยเวลาจะเกิดก็อาศัยมหาพุารูปเกิดเมื่ <Me. S 2> อมหาพุรูปบกพร่องถ้าคนเลี้ยงไม่ดีนะปภาษาทารูปจะเสียหายด้วย เมื่อภาษาทรูปเหล่านั้นเสียหายการรับภาพทางตาเป็นต้นก็ไม่ดีทำให้ตานี่เห็นสีไม่ดีหูฟังเสียงไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีเมื่อสุขภาพกายไม่ดีปราษาธรูปเหล่านี้ไม่ดีจะต่อด้วยวิญญาณขันก็ไม่ดีละเพราะวิถีจิตเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยภาษาทรูปเป็นต้นเกิดเมื่อภาษาทรูปไม่ดีวิถีจิตก็ไม่ดี เมื่อวิถีจิตไม่ดีมันก็จะพาอย่างอื่นไม่ดีด้วยนะภาษาก็ไม่ดีเวทนาก็ไม่ดีสัญญาเจตนาวิตกวิจารแต่ละอย่างไม่ดีทักอย่างเลย น, นะมันจะพาตัวกันเองเนี่ยพาวิบัติไปหมดเลยงั้นพระองค์จึงแสดงว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันเป็นของหนักพาราฮาเวปันจากขันธาขันห้าเนี่ยเป็นของหนักมันเป็นภาระซึ่งบุคคลจะต้องคอยเลี้ยงดูดูแลเอาใจใส่มันไป แต่ขณะที่เลี้ยงดูดูแลเอาใจใส่ขันห้าเหล่านี้ขันห้านี้เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันเราก็สร้างขันห้าอยู่ตลอดเป็นชีวิตที่สร้างพบสร้างชาติสร้างรูปสร้างนามสร้างขันสร้างคาดสร้างสารพัดเลยสร้างพบสามคติสี่แต่ดูท่าจะสร้างกรรมมาพบส่วนมากนะนี่คตินี่อะไรดี เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าใาครหรือเกิดเป็นโอปปาติกะเราก็สร้างทั้ง4ีคติอีกนั่นแหละสร้างทั้ง4ี่กําเนิดคติ5ก็เป็นมนุษย์หรือเทวดาคติดีนั่นแหละอันชีวิตเป็นไปแต่ละวันแต่ละวันเราก็สร้างรูปนามขันห้าใหม่ตลอดอนนกรรมก็เป็นตัวสร้างวิบากและกรรมชรูปตัณหาอุปาทานก็เป็นเชื้อที่จะให้กรรมให้ผลอันเราก็ทํากรรมใหม่ สเสวยกรรมเก่าทำกรรมใหม่สเสวยของกรรมเก่าไปอย่างเงี้ยเหมือนกับหกงูกินหางเลยนะไม่จบไม่สิ้นเพียงแบบเปลี่ยนการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่มันก็อยู่เท่านั้นเองนะชีวิตดูเหมือนใหม่แต่ก็แนวเก่าๆนะชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่เรามาผ่านมาผ่านมาถ้าหากว่าผู้ที่เจริญอาทีนวะสัญญามากๆนะว่าสิ่งเหล่านี้น่าเบืออ่อได้ เบื่อหน่ายในการเห็นเบื่อหน่ายในการได้ยินเบื่อหน่ายในการรู้เรื่นลิ้มรสซึ่งเราก็สักระทบสัมผัสรับรู้มาทุกอารมณ์เหล่านี้ถามหาว่าอะไรมันเป็นสาระเป็นแก่นสารที่สุดเราชื่นใจเหลือเกินเมื่อมีสิ่งนั้นนะไม่เราก็เลี้ยงดูบริหารไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าชีวิตของเราทั้งหลายก็เป็นไปอยู่กับสัต์จะสอง ทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์อันชีวิตเหล่านี้ก็มีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะได้ปัจจัยใช่ไหมทุกเท่านั้นแหละตั้งอยู่ทุกเท่านั้นแหละดับไปเพราะได้ปัจจัยเพราะหมดปัจจัยเมื่อได้ปัจจัยก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นกรรมวัตวิปากวัฏและกิเลสวัตรอันถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาสะสมอบรมสัมมาทิฏฐิ ประเภทวิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็จะเจริญสัมมาทิฐิอันนี้อาศัยวิเวกนะความสงัดอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลักวางจากการยึดถือสิ่งเหล่านี้วางด้วยวางอะไรวางอุ ป, ปาทานวางกามุ ป, ปาทานในอารมณ์นั้นๆวางทิฏฐุ ป, ปาทานวางศีลพัตตุ ป, ปาทานวางอัตวาทุ ป, ปาทาน แต่ว่าอุปท า, านเหล่านี้ที่คนจะวางได้ต่อเมื่ อ, อยังถึงขันห้าจริงๆนะยังถึงว่ายงงอย่างไงยังถึงว่านะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวปะณีตไกลหรือใกล้เป็นของที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย ป, ปัจจัยเนี่ยประชุมกันขึ้น เมื่อหมดปัจจัยมันก็แตกดับไปเป็นของที่มีความแตกดับเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นทันในนั้นไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยไม่มีอัตตะสาระไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขะสาระนะสิ่งเหล่านี้พระ อ, องค์บอกว่าเหมือนกับของขอยืมเข้ามาสิ่งเหล่านี้เหมือนกับของขอยืมเหมือนกับความฝัน เหมือนจริงนะชีวิตเราเมื่อวานที่มาฟังทมเหมือนจริงเนอะจริงคับว่เาเอาเอามาให้ดูหน่อยจริงที่ว่าเนี่ยมันฝันอะใช่ไหมชีวิตของเราเหมือนกับสมัยเมื่อก่อนๆหลายสิปีก่อนก็ฝันถึงชีวิตในอดีตชาติก็คือฝันชีวิตในขณะนี้ก็จะคือฝันนะฝันของพรุ่งนี้ไปถ้าเราไม่อย่างถึงอริยสัจก็ไม่ตื่นก็ชื่อว่าเป็นคนหลับตลอดนะพั น, น, น ชีวิตของปุตชชนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับอยู่ในห่วงน้ําซึ่งยังไม่ได้โผล่ขึ้นเลยถ้าพระโสดาบันเนี่ยเห็นอริยสัจก็เหมือนกับโผล่ขึ้นบนน้ําและมองเห็นฝั่งแล้วพระโสดาบันนี่คือผู้ที่มองเห็นฝั่งพระสกัดหาคามีนี่ว่า้ละด้วยเรียวแรงพยายามบากบันพานาคามีเนี่ยที่เรียกว่าเหยียบพื้นในฝั่งแล้วก็น้ําท่วมคอนั่นแหละ น้ำเสมอคอแต่ว่าเหยียบพื้นน่ะอุ่นใจระดับหนึ่งแล้วพระทหารก็ขึ้นบกเป็นพราหมณ์แต่ชีวิตของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยของเามาพูดก็พูดเหมือนคนฝันอีกนั่นแหละเออจริงๆรนะิงนเพราะว่ายังไม่ได้ตื่นตื่นจากอาวิชชาที่ว่าไม่ตื่นจากอาวิชชาเห็นอย่างนี้ก็จริงแต่ไม่ได้เห็นอริยสัจอ่าไม่ได้เห็นจริงๆถ้าเห็นอริยสัจจริงจริงก็จะรู้อริยธรรมก็จะเป็นพระอริยะบุคคล ทีนี้ทำอย่างไรเราจึงจะเห็นอริยสัจเหล่านั้นนะภาษาสดาเราแนะนําว่าอย่างไรนั่นแหละคือที่ไปในเบื้องหน้าของเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหลายเมื่ออยู่ในห่วงแห่งสังสารทุกห่วงแห่งสังสารวัตนั้นเกาะที่พึ่งไม่มีนัตทิเมสรณังอัญญังเหมือนกันที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของข้าพเจ้าเหมงอนกัน นาทิเมสารนังอันยังทำโมเมนะสังโคมเมสารนังวรังเอเตนาสัชวัตเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาว่างั้นชีวิตของเราทั้งหลายถ้าเราไม่มีสาระนะเราไม่รู้เลยว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะเคยคิดไหมว่าจะทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมจบเมื่อไรและอะไรจะเกิดขึ้นไอความเป็นเหตุเป็นผลอันนี้เป็นเหตุเป็นผลยังไงนะถ้าเราศึกษาเรื่อง กรมดีๆแล้วจะรู้ว่าเอาเหตุอันนี้ให้ผลอย่างนี้ เ, เหตุอันนี้ให้ผลอย่างนั้นได้ปัจจัยอันนั้นเหตุอันนี้ก็เกิดได้ปัจจัยอันนี้เหตุอันนั้นก็เกิดเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีก็มีแล้วมีไปทําอะไรนะผู้ที่เจริญศึกษาปฏิบัติตามคําสอนนั้นที่เขานับถือคําสอนเพราะว่าคําสอนสามารถช่วยให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากกองทุกเหล่านี้ได้ไ ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาที่คนเขาหมกอยู่ส่วนผู้รู้หาข้องไม่นะไม่ค้องด้วยอำนาจแห่งตันหาและทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเลย mm. เพราะฉะนั้นผ้าอรหันท่านก็เหมือนลมอ่ะท่านก็เห็นหมดแหละแต่ว่าท่านเห็นอริยสัจด้วยเห็นอริยธรรมด้วย mm. ท่านจึงไม่ค้องไม่ติดในทุกทุกอารมณ์ mm. ท่านไม่ติดแม้แต่ความคิดอ น, นันด้วย เพราะท่านก็ท่านก็ถือว่าแม้แต่ความคิดแม้แต่ความรู้แม้แต่สติปัญญาก็เกิดด้วยปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยสิ่งนั้นเที่ยงไม่มีนะสิ่งใดที่ประชุมปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นจะมั่นคงถาวรไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาวนะของพระอรหันต์ความคิดที่ดีเลิศเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ยึดถือในมหากรุณาของพระ อ, องค์เลย จเจริญกรุณาทําหน้าที่จเจริญไปฝนตกก็สมมติมหากรุณาเหมือนกับฝนนะนะฝนทําหน้าที่ตกได้ปัจจัยฝนก็ตกให้ความเย็นกับโลกหมดปัจจัยฝนก็หมดฝนไม่ได้ยุติจิตวันน้าของฉันไม่ได้คิดอันพระองค์เนี่ยหลังประโยชน์ให้แกสัรรพพะสัตทั้งหลายเสร็จพระองค์ก็ดับขันะปรินิพพานตามสมควรแก่ปัจจัยนั้นนั้นอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามปัจจัยอยู่ในลักษณะนี้ ผู้ที่มองเห็นชีวิตที่เป็นไปตามปัจจัยลักษณะนี้สามารถพ้นจากทุกได้สัพเพสตาอาหารทิเทกาสัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอยู่ด้วยปัจจัยแต่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพื่อที่จะตัดเหตุตัดปัจจัยตัดลิมสลักเขือวิชาเป็นต้นเนี่ยเมื่อพ้นจากลิมสลักเหล่านี้แล้วก็เท่ากับหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ อันผู้ที่สแสวงหาความสุขในเบญจา ก, กามคุณนั้นเป็นความสุขที่เหมือนกับไปยืมของเขามาใช้ของชั่วครั้งชั่วคราวของในโลกนี้มันเป็นสมบัติผลัดกันชมเท่านั้นเองนะถ้าสีก็ผลัดจากขวัวิญญาณไปดูนะถ้าเสียงก็ผลัดโสตะวิญญาณไปฟังถ้ากลิ่นก็ผลัดโสตะคานะวิญญาณไปรับรู้นะถ้ารสก็เปลี่ยนชิวหาวิญญาณไปรับเท่านั้นเอง แม้แต่ชิวหาวิญญาณเหล่านั้นก็เกิดด้วยปัจจัยะนะคุยเรื่องอันนี้จังไว้เยอะๆก่อนหนะเนาะแล้วก็พอเราเข้าใจแนวทางวิปัสนาพอสมควรและศึกษาเรื่องเมตตาก็จะได้ไม่ไปติดเนกับเมตตาอีกนั่นแหละแล้วก็ไปแบกเมตตาวันนี้เมตตาไม่เกิดก็นั่งทุกข์อีกวันนี้เมตตาเกิดอีกก็ยิ้มแย้มแจม่มใสยึดแบกหามบเมตตาอีกอันเมตตาเป็นกุศลใช่ไหมกุศลควรเจริญ นะทำยังไงจะให้พออภูมมากๆขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าแม้แต่กุศลเหล่านั้นเที่ยงไหมกุศลได้ปัจจัยเขาก็เกิดหมดปัจจัยเขาก็ไม่เกิดเมตาก็เหมือนกันได้ปัจจัยเมตาก็เกิดหมดปัจจัยเมตาก็ไม่เกิดการฟังเรื่องเมตตาเป็นต้นหนึ่งในจำนวนปัจจัยที่จะทำให้เมตตาเกิดนะฟังให้มีข้อมูลกันมีข้อมูลเรื่องเมตตา ขณะที่ฟังก็เป็นปัจจัยให้มีเมตตาอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจัยจากภายนอกประโตโคสะเสียงธรรมเอาที่ถูกนะเสียงธรรมของพระผู้มีพระภาคนั่นแหละก่อให้เราเกิดเมตตาอันหนึ่งอันสองเมื่อเราฟังแล้วทรงจำไว้ได้เอาไปไข้ครวนไปตรึกไปคิดตามนั้นอันนี้เรียกว่าโยนิสโสมนศสิการะอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะทาให้เกิด เมตตาฮัลปัจจสองอย่างเหตุสองอย่างนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเมื่อสัมมาทิฏฐิดีสัมมาสังกัปปะก็ดีการเจริญเมตตานี้นับอยู่ในองค์8ปดไหมอยู่ไหมอยู่ในมรรคองค์แข้อไหนมรรคมีองค์แปดหนึ่งหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสามสัมมาวาจาสสัมมากรรมมันตะหสัมมาอาชีวะ หกสัมมาวายามะเจดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธิอันการเจริญเมตตาในเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นอพยปาธาวิตกนะอพยปาธาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะมีสามอย่าง 1. นึงเนคขมมะสังกัปปะสองอภยปาธาสังกัปปะสาม อวิเหงสาสังกปะในช่วงการตรึกการปราลบเมตตาอันนี้เนี่ยเป็นสัมมาสังกปะถ้าสัมมาสังกปะอันนี้มีคุณภาพมากเรียกว่าสัมมาสมาธิต้องมีคุณภาพเป็นอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธินั่นแหละจึงจะเป็นสัมมาสมาธิอย่างจริงๆแต่ถ้าเป็นคณิกะสมาธินั้นไม่ต้องเจริญรนะเพราะปะกติก็เป็นคณิกะอยู่แล้วแต่คณิกะอันนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อ อุปจาระสมาธิเป็นไปเพื่ออัปปนาสมาธิดังั้นการตึกเหล่านี้บ่อยๆเป็นสัมมาสังกปะคนจะตรึกได้บ่อยได้มากขนาดไหนก็แล้วแต่สัมมาทิฏฐิสา ม, มาทิฏิมีปัจจัยเท่าไหร่ลองตลบหลังเูยนะใส่เกียร์ถอยสักเอ๊ะถอยได้หรือเปล่สาส ม, มาธิฏฐิมีเหตุกี่อย่างเมื่อกี้บอกกี่อย่างสองอย่างนะหนึ่ง ประโตโคสะการฟังนะฟังนับทั้งอ่านด้วยนะสองโยนิโสมณัสิการะก็คือไปคิดตามเหมือนกับที่ฟังมานั่นเองเรียกว่าโยนิโสมณสิการะอานพระองค์นั้นเวลาจะแสดงธรรมพระองค์บอกว่าจงฟังจงตั้งใจให้ดีจงมณสิการให้ดีฟังนั่นก็คือประโตโคสะนะฟังเสียงจากคำสอนเสร็จแล้วก็มณัิการให้ดีนะโยนิโสให้ดี เมื่อทั้งฟังด้วยโยนิโสด้วยอย่างนี้กุศลธรรมก็สามารถที่จะเกิดอย่างต่อเนื่องถ้าถ้าเราทั้งหลายพูดว่าโอ awkward, ้กุศลเนี่ยมันเกิดยากเกิดนิดๆหน่นนอย Geez. ๆอันนั้นเขาเรียกว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษามันเป็นอย่างนั้นว่าวันๆหนึ่งชีวิตเราทั้งหลายกุศลเกิดยากจริงจรเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมครําสอนชีวิตเกิดยากสมมุติว่าพูดถามสำนวนชาวโลกว่าคนที่ไม่มีงานทําเลยนะ รายได้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันยากแต่ถ้ามีการมีงานทําเป็นล่ําเป็นสันแล้วเนี่ยยากไหมรายได้ยากไหมไม่ยากการเจริญเมตตาเรียกว่ากรร ม, มาฐานฐานแปลว่าเหตุกรรมแปลว่าการกระทําเหตุแห่งการกระทําการงานเมื่อเมื่อมีงานทําอย่างนี้แล้วกุศลไม่ค่อยเกิดเนี่ยแสดงว่ารวยเต็มทีละ <c oughs> มีอยู่สองอย่างบริษัทใกล้จะเจ๊งหนึ่ง <c oughs> ทำงานผิดพลาดถูกเกือบจะไล่ออกแล้ว เจริพเพราะว่าประิาผิดเจนิพชายนิดผิดภาวนาผิดผิดหมดเลยมิจฉาเาเริ่มจาที่เป็นกล่าวเจนิพเจนพมิจฉากาเไม่ต้องพูดถึงเจรเจิพรเพราะฉะนั้นตรงที่การฟังเป็นต้นเนี่ยนะเป็นหัวข้อชั้นหนึ่งเลยเพราะว่าพุทธสาวกเนี uh um. ่ยนะเกิดจาก การฟังนะความเป็นสาวกของเราทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วฟังนี่เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะศาสน า, าพุทธศ า, าสนาเนี่ยเกิดจากการฟังแต่ฟังอย่างเดียวพอไหมเหตุแห่งวิมุตมีกี่อย่างคะเหตุแห่งวิมุตมีห้าอย่างหนึ่งฟังธรรมจากศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรีผู้อยู่ในฐานะแห่งความเป็นครูฟังถ้าไม่ฟังอะ่ะทไง ได้เหตุได้ปัจจัยปับเราก็แสดงมาโดยพิสดารเหมือนที่เราฟังเองนะฟังมายังไงก็แสดงได้ขนาดนั้นหรือ ม, มากกว่าก็ไม่เป็นไรแสดงให้คนอื่นฟังอันนี้ก็เป็นเหตุอย่างที่สองแต่ถ้าฟังเฉยๆแล้วสักว่าฟังมานั่งเอาเอาหูมาเรื่อยเฉยๆไม่สา ม, มารถที่จะทรงธรรมไปแสดงให้คนอื่นได้เอ๊ก็คิดดูเอ๊ฟังมาดีหรือเปล่า<ม>นะก็มีมีโทษอีก แต่ว่าพระ อ, องค์ก็บอกว่าคนที่ที่ฟังอ่ะนะในช่วงฟังเนี่ยปัญญาก็มีหลายระดับบางคนก็ปัญญาเหมือนกับหม้อคว่ำก็มีเทไม่เข้าเลยอะ่ะบางคนก็ปัญญาลึกซึ้งกว่า น, นั้นอีกหน่อยก็เหมือนกันหน้าตักนะนั่งฟังรู้เรื่องลุกไปหายหมดเลยนะพอคิดถึงบ้านปับ๊บธรรมะกระเด็นหนีหมดเรื่องอันนี้เรียกว่าปัญญาเหมือนหน้าตักนะปัญญาบางคนก็เหมือนกับหม้อไงนะเปิดงายรับกลับบ้านได้เอาไปตรึกเอาไปคิด เอาไปพิจารณาแลวสามื่อที่จะแสดงให้คนอื่นฟังได้ต่อไปและข้อ3มีมุตานุตรยะข้อที่3ก็คือถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงทำไงสาทยายนะเราสา ม, มารถศึกษาจนเอาไปสาทยายได้ไหมว่าลำดับของเมตตานะมีอะไรเป็นเบื้องต้นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดเป็นฌานได้กี่ในยังไงบ้างเอาไปสาทยายตามนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเหตุข้อที่สองที่จะทาให้เกิดวิมุต อ่ข้อสข้อสทํถ้าไม่สาทยายก็ตามเพ่งด้วยใจตามตรึกด้วยใจอนนะการการค้นคิดตรึกไตรตรองด้วยใจข้อสุดท้ายใส่ใจในกรรมฐาน น, นั้นๆอนนะให้ชำนิชำนาญนั้นทั้งห้าอย่างเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นท่านการฟังนั้นจะต้องฟังจนถึงขนาดฟังให้จนถึงกับเป็นลูกศิษย์พระนนท์ได้นะอ่าแนวสายศึกษานี่ยเรียกว่าสาย ลูกศิษย์ลกหาบริวารของพระอานนท์บริวารของพระสารีบุตรท่านถ้าเน้นการอยู่ป่าอยู่เขาก็บริวารของพระมหากรส ป, ปะแสดงว่าเราสะสมบุญประเภทพ ร, พระสารีบุตรเนอะประเภทพระ อ, อนนท์เถระท่าน mm hmm. ก็คือการ mm hmm. ก็บอกว่าการมณฑิการกรรมฐานสิบสาสิบดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละชื่อว่าเป็นมิมุตตานุตริยะด้วยเจนทร คือตามเพ่งด้วยใจนี้ก็คือตามเพ่งพระธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าใส่ใจในกรรมฐานเนี่ยนะกรรมฐานที่ต่อเนื่องเนี่ยก็อย่างหนึ่งเจนพแต่ถ้าตามเพ่งด้วยใจก็คือปรารบพระสูตรเป็นสูตรเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจุดจบของพระสูตรนั้นเป็นยังไงยังไงยังไง น, นะเส่งต่างจากการใส่ใจในกรรมฐานไปเลยนะแต่ว่าถ้าหากว่าตามเพ่งด้วยใจไม่ได้กรรมฐานก็จะดําเนินยาก กรรมฐานเนี่ยจะยากมากจนพอนักพูดถึงเรื่องสมถะจนพอน้สุดท้ายก็สมถะนะคือสมถะนั้นผู้ที่ได้สมถะนะจะเป็นผู้ที่เป็นสุขขาปฏิปทาปฏิบัติเป็นสุขน ะ, ะบางท่านก็ขิดปาพิญญาตรัสรู้เร็วบางคนก็ตรัสรู้ช้า แต่คนที่ไม่ได้สมถะเลยนะพวกนี้เป็นทุกขาปฏิปทาปฏิบัติเป็นทุกนะชีวิตแห้งแล้งพอสมควรว่ากันแต่ถ้าคนที่ได้สมถะนะชีวิตจะไม่ถูกกิเลสรบกวนมากนะักโลภะไม่มีกำลังโทสะไม่มีกำลังโมหะไม่มีกำลังจิตใจเป็นไปกับกุศลนั้นชีวิตของคนที่เจริญสมถะด้วยปฏิบัติธรรมด้วยก็เรียกว่าเป็นสุขาปฏิปทา แต่ถ้าพวกที่เอาแต่วิปั ส, สนาขันธ์ธาตุอายตนะเพียวๆโดดๆไปเลยก็เป็นประเภททุกขาปฏิปทาไปนะแต่เอาเอาแบบที่ถูกนะไอ้ที่ผิดเนี่ยเอาชื่อขันธ์ไปก็ไ ม, ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าประสบความสําเร็จนั่นแต่หมายถึงว่าคนที่เจริญตามขันธ์ธาตุอายตนะถูกต้องสมบูรณ์ตามคําสอนเลยเสร็จแล้วกิเลสมันเล่นงานเป็นครั้งคราวประเภทนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทานะ ทีนี้ต่อไปกล่าวถึงเรื่องของเมตตาต่อว่าคนที่จะเจริญเมตตานั้นเมื่อมีการฟังอย่างดีมาแล้วแล้วก็เอาไปถ้าสาธยายได้ก็ยิ่งดีใหญ่ถ้าสาธยายไม่ได้ก็ตรึกเรื่องเมตตาดังนั้นคนที่จะปฏิบัติเมตตาให้ได้ผลจริงๆเนี่ยนะหนังสือเล่มนี้น่าจะอยู่ในสมองได้มมันต้องอ่านคิกว่านึกข้างท้ายก็ต้องนึกหัวได้ พูดหัวต้องนึกท้ายได้พูดกลางนึกหัวนึกท้ายเนี่ยนะต้องนึกได้นะท่านนึกไม่ได้จะเจริญได้อย่างไรเของมานึกถึงเวลาโยมเขาเอาพวกพวกเครื่องเสียงหรือพวกพัดลมพวกอะไรไปไปให้นะไปถวายเนี่ยเขาจะมีไอเอกสารประกอบการใช้เขาบอกหมดเลยนะอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ทํายังไงไขน็อตกี่ตัวอะไรกี่ตัวแล้วบอกว่าอันนี้ข้อข้อมูลสําหรับช่างติดตั้งอย่างนั้นอย่างนี้ วัตถุชิ้นเดียวนั่นแหละนะเช่นพัดลมอันเดียวเครื่องทำน้ำร้อนอันเดียวนั่นแหละมีคู่มือประกอบเบ็ดเสร็จถูกต้องแม่นยำเป๊ะๆหมดเลยใช่ไหมบอกด้วยว่าใช้ไฟเท่าไหร่อะไรอย่างไรแต่การเจริญพรมมหารซึ่งเป็นล่ำเป็นฟันเป็นกิจเป็นงานเป็นชีวิตของเราเลยเรากลับจำไม่ได้ถ้าอย่างนี้เจริญยาก <c oughs> เจริญยากจริงๆเลย ธรรมะทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาไม่จนถึงทรงจําไว้ได้เราจะปฏิบัติได้ยากจริงๆนะทุกอย่างวิปัสนาเหมือนกันวิปัสนาทุกคนก็บอกว่าเออขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ขันมีอะไรบ้างเออได้นะหข้อรูปมีเท่าไหร่เ อ, อ้ชักยุ่งแล้วใช่ไหมเวทนาเท่าไหร่สัญญาเท่าไหร่สังขารเท่าไหร่วิญญาณเท่าไหร่ทาไมจึงเรียกว่าขันออชักชักยุ่งเลยน ะ, ะขันเท่านี้ทําไมจึงเป็นวิปัสนาภูมิขันทําไมจึงเป็นทุกข์ ทำไมขันยังเป็นชาติทุกชราทุกพยาธิตุกมรณะทุกขเป็นต้นนะถ้ามองไม่ออกแล้วจเจริญอะไร <c oughs> <c oughs> นะก็ผลของการปฏิบัตินั้นๆก็น้อยเต็มทีเมื่อน้อยเต็มทีเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมหรอกเราเนี่ยเสื่อมจากท่านเรียบร้อยแล้วอันเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะพยายามศึกษาให้ให้เข้าใจาจริงๆเพราะถ้าเราไม่เข้าใจาจริงๆในคําสอนนี่นะผู้ศาสนาหมดจากเราแล้วนะพะัน มาที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าโยมนะเพียงแต่เตือนตัวเองบ่อยๆจะได้ไม่หลงประเด็นว่านี่นะงานของเราต้องเป็นไปตามนี้นะถ้าเราศึกษาแล้วเราทิ้งคำสอนใจเราห่างคำสอนแสดงว่าเราห่างพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ไกลคนมีกิเลสเสมอดันการเจริญเมตตาเบื้องต้นรู้จักบุคคลที่เป็นโทษแก่ภาวนาหกอย่างก่อต่อไปข้อสอง เจริญเมตตาให้แก่ตัวเองนะเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองให้เต็มที่เลยหาข้อมูลในการเจริญเมตตาเมตตาก็คือความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความหวังดีความปรารถนาดีนะอย่างเช่นป้ายข้างทางนะขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพถ้อยคําเหล่านั้นก็คือถ้อยคําที่เป็นไปกับเมตตานั่นเองสวัสดีครับถ้อยคําคนไทยๆใช้เนะี่ยก็คือเป็นถ้อยคําที่มาจาก ถ้าถ้อยคําด้วยสุดจริตใจจริงๆนะถ้อยคําอันนั้นก็เป็นเมตตาที่ที่ออกมาทางเมตตาวสวัสดีครับแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสให้อันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของของเมตตาแต่เป็นเมตตาวจีกรรมโบกไม้โบกมืออวยชัยให้พรก็เป็นเมตตากายกรรมนะแต่เมตตาลักษณะเหล่านั้น ไม่ต้องเจริญก็ได้บอกบอกแนะ น, นำกันหน่อยก็พอได้แล้วฝึกนิดๆเนือหน่อยเมตตาแบบนั้นก็เกิดไ ด, ด, ด, ด้แต่เมตตาที่เป็นเป็นการเจริญเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตเนี่ยนะพัฒนาก็คือภาวนาอันเดียวกันนะพัฒนาคุณภาพจิตให้สูงยิ่งขึ้นนั้นจะต้องรู้จักตัวเองดีพอสมควรรู้จักเจริญรู้จักอัธยาศัยดีจริงๆริงอัธยาศัยของผู้ที่จะเจริญเมตตานั้นเป็นอ เป็นอัธยาศัยประเภทไหนรู้ไหมโทสัทยาสา ย, ย, าสายแบบนั้นอัธยาศัยเครียดนิดๆิหรือว่าสายโทสะนะมองโลกไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่คนประเภทนี้ต้องศึกษาเรื่องเมตตาให้มากๆเป็นกรรมฐานที่จะมาช่วยหล่อเลี้ยงให้ที่ไหนมีฝุ่นเยอะที่นั่นแสดงว่าต้องการต้องการน้ำนะให้มันฝุ่นมันน้อย ๆ, ๆการเจริญเมตตก็คือเป็นการเจริญธรรมะประเภทที่จะระงับ ดับสายสายโทสะตรงๆเลยเหมาะกับคนโทสะจริตนะเหมาะกับคนโทสะจริตบางท่านพอศึกษาเรื่องเมตาก็บางทีฟังแล้วก็เฉยๆนะแต่ไปฟังเรื่องอสุภาษิตโอโ้โหโหเพ่งตาต า, ตาสายเลยบางท่านก็เป็นอย่างนั้นบางท่านนี่ฟังอสุภานี่งอยเสมฟังเมตตาแล้วก็โอ้โหใช้งานอะไรง่ายหมดเลยเขาว่างั้นแสดงว่าใจดีมากอย่นี้น บางคนนี่ไม่ได้ต้องวิปัสนาอย่างเดียวขันท่าอริยตนะลึกเท่าไหร่ยิ่งชอบอลักษณะนั้นแสดงว่าคนประเภทสายทิฏฐิจริตหรือสายอะโมหพุทธิจริตนะนะสายปัญญาว่า ง, งั้นแต่ก็ในขณะเดียวกันก็อย่าให้อย่างใดอย่างหนึ่งมากไปเพราะการเจริญธรรมะก็เป็นการเจริญอินทรี่ห้าอย่างอินทรี่ห้าอย่างต้องสมดุลกันนะจึงจะมีการตรัสรู้ธรรมถ้าอินทรี่ห้าไม่สมดุลกันก็บรรลุธรรมไม่ได้ สมดุลในที่นี้หมายถึงสามัสคีหรือสมังคีหรือพร้อมเพียงกันทั้ง5้าอย่างสัตทินสีต้องบริบูรณ์อย่างการเจริญเมตตาต้องมีศรัทธาในเรื่องของเมตาตานะศรัทธาเรื่องเมตตาสองมีวิริยะมีความเพียรพยายามในการเจริญส ม, มีสติก็คือสติเนี่ยเป็นตัวตรวจสอบวินิจฉัยว่าอันนี้เกื้อกูลต่อเมตตาไหมหรือนี้ ไม่เกื้อกูลต่อเมตานี้เป็นประโยชน์ต่อเมตตาไหมอะไรก็ตรวจสอบสตินี้เป็นตัวระลึกเป็นตัวตรวจสอบความเรียบร้อยอันนั้นนะส่วนสมาธิก็คือความสงบสมาธินีก็คือเมตานิมิตเนี่ยใส่ใจมากๆสมาธิก็จะเกิดแล้วสุดท้ายก็คือปัญญาแนวทางแห่งการเจริญเมตตาต้องมองอย่างตลอดสายพันธะธรรมะหอย่างนี้จาปรารถนาในการเจริญเมตตา ถ้าหากว่า5้าตัวนี้อ่อนตัวใดตัวหนึ่งเมตตาไม่ประสบความสําเร็จแน่ข้อหนึ่งนะมีศรัทธาในเมตตาเป็นต้นอย่างดีเยี่ยม 2. พยายามความเพียรความพยายามหรือวิริยะต้องดีสสติอะไรเกื้อกูลต่อเมตตาอะไรที่ไม่เกื้อกูลต่อเมตตาสติอ น, นั้นตต้องวินิจฉัยตรวจสอบได้สตินี้เป็นเหมือนกับเครื่องตรวจสอบเพราะสตินี้เป็นตัวที่ระลึก ถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้ได้นานแล้วอ่ะอันนี้เกื้อกูลต่อเมตตาไหมเหมือนกับเจ้าหน้าที่ขุนคลังพูดตามรักษาทรัพย์อะไรมีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อเมตตาสมาธินิมิตถ้าสมาธิต้องนึกถึงนิมิตนิมิตของเมตตาเนี่ยคืออะไรนะมองแล้วตัวปัญญาเนี่ยมองเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของเมตตาอย่างตลอดสายนะซึ่งปัญญานั้นก็เกิดจากสุตตะสุตตะ ที่ฟังเรื่องเมตตามาต้องต้องฟังให้ตลอดสายเข้าใจอย่างสมบูรณ์จึงจะพอกภูนได้แล้วก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้มันเป็นการงานทางทางใจเรียกว่ากรรมฐานนะน่อาทีนี้เมื่อเจริญเมตตาให้แต่ตัวเองเป็นนะผู้การเจริญให้ตัวเองนี่เจริญยังไงเออเวลาเจริญเมตตาให้กับตัวเองนะฮะ ก็ให้ทําความรู้สึกว่าจริงใดที่ที่เราชอบที่มันเป็นความสุขหรือว่าเป็นความต้องการของเรานะแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะถ่ายว่าผู้อื่นก็มีความรู้สึกอย่างเราอย่างนี้ยเพราะนั้นความรู้สึกที่ที่เราต้องการที่เราปรารถนาที่เราชอบเนี่ยนะมันมีลักษณะอย่างไรเนี่ยนะเช่นเช่นเราปรารถนาความความสุขความอบอุ่นนะเช่นความอบอุ่นเนี่ยถ้าเรานอนกลางคืนเนี่ยเรามีผ้าห่ม นะเรามีเรามีห้องหับอย่างดีนะเรามออีฮีเตอร์เรามีเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ตึกว่าหมาเราได้รับความสุขอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยแม้แต่ว่าญาติของเราสักคนหรือพ่อแม่ของเราเออท่านก็ต้องการอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะถ่ายความรู้สึกอันนี้ไปนะว่าเออท่านเหล่านั้นก็มีความรู้สึกเหมือนเราอย่างเนี้ย ก็จะทำให้เราเนี่ยนะเกิดเมตตาขึ้นได้นะฮะหรือว่าถ้าหากว่าสิ่งใดที่เราไม่ชอบนะเราไม่ชอบคำที่เป็นพลรุสวาจานะหรือว่าคำเสียดสีคำไรนี่นะพอเราดูว่าเอ๊สิ่งนี้เราไม่ชอบเรารู้เลยว่าอ้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นะแล้วเราก็ถ่ายว่าเออถ้าเราพูดอย่างนั้นคนอื่นข้ก็ต้องไม่ชอบอย่างนี้คือนี่นี่เป็นการที่เราจะเจริญเมตตาให้กับตนเองนี่นะครับ แล้วเราก็ถ่ายความรู้สึกอย่างนี้นีน่นเหมือนค่อยๆเป็นเทคนิคนะถ้าพูดภาษาสมายัยใหม่นะมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งโดยมันเป็นการเริ่มต้นที่การเริงเมตาที่มีการเริ่มต้นต่อไปก็ไม่จําเป็นต้องไม่ต้องคิดอย่างนี้ไม่ต้องถ่ายอย่างนี้เป็นเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเช่นเรามีความรู้สึกว่าเรารับคําชมนี่ยหมาเรารู้สึกมีความสุขใช่ไหมคนอื่นก็ต้องการชม นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราคิดอย่างนี้แล้วนี่นะครับเราก็จะชมคนอื่นง่ายขึ้นนะด้วยวจีด้ว ย, วยทวารทางกายยะทวารจะได้เช่นสมมติว่าผมขับรถไปนี่นะผมเห็นเขาแต่งแต่งสวนสวยมากเลยขับรถไปแท้ๆเลยเนี่ยนะถ้าผมเนี่ยจเจริญเมตตาเนี่ยผมเพียงยกหัวไม่มือให้เท่านี้นะยุกท่านี้นะเพียงเท่านี้เนี่ยนะนี่เป็นการที่เราจเจริญเมตตาแนละส่งมิตรไปแล้วนั้นเนี่ย เขาเห็นพับตรงนี้เขารู้แล้วเขายิ้มตอบมันเลยใ<ช>แม่เขายิ้มแข่งเลยลักษณะนี้เป็นเมตตากายกรรมต่อหน้าใช่ไหมคือถามว่าถ้าเราตั้งใจนะถ้าเราตั้งใจทําอย่างนี้นะนี่เป็นการเจริญนะ haus, <ฤ>คือการทําให้มากแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยนะเราก็เคยทําอย่างนี้ใช่ไหมนั่นไม่ใช่การเจริญมันมีเองตามธรรมชาติ<ฤ>นะถ้าอย่างนี้นะตั้งตั้งใจนะอา น, นิสงส์สูงมาก สมาธินั้นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าการอธิษฐานหรือการสมาทานนั้นมีความสําคัญค่อนข้างมากปรารริเริ่มบ่ายๆแต่ส่วนในการเจริญเมตตานั้น ท, ที่ลืมไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือเมตตานั้นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อเมตตานั้นเป็นสัมมาสมาธินั้นปัจจัยของสัมมาสมาธิก็คือศีลต้องดีพอสมควรนะที่ใช้คําว่าศีลดีนั้น จิตใจของเราเนี่ยนะเฉพาะตัวอินทรีย์สังวรศีลต้องดีพอสมควรคือศีลห้าเราทั้งหลายนี่ก็ดีอยู่แล้ว่ะแต่ว่าอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยต้องดีการมองเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นเนี่ยจะต้องสังวรสํารวมระวังรักษาได้นะการเจริญเมตตาจึงจะเป็นไปได้แต่ถ้าหากว่าเจริญเมตตาเสร็จแล้วอินทรีย์สังวรไม่ค่อยสํารวมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หมดนะ เช่นถ้าหากว่าเราจเจริญเมตตาเสร็จไปหากิจกรรมบางอย่างซึ่งใกล้ต่อโทสะมากน ะ, จะเจริญเมตตาเสร็จแล้วดูมวย อ, อย่างนี้ยเ <c oughs> มตตาเนี่ยหมดเลยนะเพราะมีใครอยากให้ทั้งคู่เนี่ยนะชนะทั้งคู่มีไหมเราก็ต้องเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเอาเลยซ้ายขวานะถ้ายิ่งมันตลบได้ยิ่งโอโ้โหยิ่งปราถนามเมื่ออันนั้นเป็นขาดเมตตาแล้วนะขาดเมตตาขาดการุณห์กิจกรรมบางอย่างจะไม่เลื้อกูลต่อ เมตตาเลยอย่างเช่นการแข่งขันเนี่ยอย่างได้อย่างหนึ่งเราอยากให้ชนะทั้งคู่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเชียร์ฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งเมื่อเราเห็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งปับ๊บเราก็จะไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นกิจกรรมบางส่วนก็ขาดขาดเมตตาดังนั้นเราจะต้องสังวรได้สังวรเรื่องในการคิดเหมือนกันเรื่องราวที่เราจะคิดเนี่ยบางอย่างต้องรู้ว่าอะไรเกื้อกูลต่อเมตตาและไม่เกื้อกูลถ้าเราไม่เข้าใจนะบริหารเมตตายาก ทีนี้อกุศลถ้ามันเกิดบ่อยๆเข้านะมันก็ท้อแท้ที่จะเจริญกุศลเหมือนกันที่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่สา ม, มารถที่จะรักษาได้กระบวนการเจริญเสร็จนะการรักษาก็สําคัญพอๆกับการเจริญการเจริญนี่ยากแล้วล่ะแต่รักษายากกว่านั้นอีกอันนะัเมื่อเจริญเมตตาให้กับตัวเองบ่อยๆนะหัวข้อใหญ่หลักกว้างก็คือที่ว่าขอข้าพเจ้า จงมีความสุขเธอใช่ไหมให้มีความสุขจริงๆเลยข้อสองก็ขอให้ข้าพเจ้าปราถนาอ่ปราปราศจากความทุกข์เธอขอข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรเลยข้าพเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทอย่าได้มีความเบียดเบียนเลยแล้วก็อย่าได้มีความทุกข์ให้มีความสุขนะขอให้ถึงซึ่งความสุขบริหารตนให้มีความสุขอย่างนี้น อนนี้นี่เป็นแนวทางเฉยๆซึ่งถอยคําที่จะพลนาอวยชัยให้พรแก่ตัวเองเท่าไร่ก็ได้หาอะไรที่ที่เราต้องการจริงๆะนะแสดงว่าคนนั้นจะต้องรู้ประสงค์ของตัวเองดีจริงๆอย่างคนที่เจริญเมตานั้นแสดงว่าเห็นโทษของโทสะต้องการมีความสุขและอยางรู้ด้วยว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับเมตตาเป็นต้นนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ฌานก็เป็นปัจจัยให้เกิดใน สุคติโลกสวรรค์อันนี้นี่มองไกลอีกนิดนึงถ้าได้ฌานก็เข้าถึงพรหมโลกถ้าได้ฌานแล้วต่อด้วยวิปัสสนาก็บัลลุมักผลนิพพานแสดงว่าเรามองหนทางแห่งการเจริญเมตตาได้อย่างตลอดสายเสร็จแล้วเราต้องต้องการปรารถนาให้มีความสุขอย่างนั้นจริงๆแล้วอยากมีความสุขเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเราต้องการความสุขใช่ไหมถ้าเรามีเมตตามากเท่าไหร่กุศลเจริญมากเท่าไหร่เกี่ยวข้องกับคนอื่น จิตของเราก็เป็นกุศลเมื่อเป็นกุศลชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นอย่างเงี้ยเราเนี่ปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขเสร็จแล้วก็เอาพื้นฐานแห่งความต้องการอันนั้นเนี่ยความปรารถนาอันนั้นเนี่ยเจริญต่อไปหาบุคคลอื่นนะต่อไปหาบุคคลอื่นเอาวันนี้มาต่อจากตัวเองนักทีหนึ่งนะ <c oughs> นาหกนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นพโยคาวจรแผ่เมตตาไปยังตนเองก่อน คืเจริญให้กับตัวเองนะเพื่อความเป็นพยานพยานแห่งเมตตาพยานแห่งความเป็นมิตรพยานแห่งความยือใหญ่แบบนั้นเถอะต่อจากนั้นเพื่อทําเมตตาให้เป็นไปได้โดยง่ายต้องเจริญใครก่อนนะซึ่งมันง่ายอะ่ะก็คือบุคคลใดเป็นที่รักนะคำที่รักในที่นี้ก็คือเป็นคนที่น่าปรารถนามากอยากเข้าไปหาอยากไปนั่งใกล้อยากไปสนทนากับท่านเหล่านั้น ต้องอย่าลืมนะเว้นเพศตรงข้ามที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะบุคคลที่เราปรารถนาอยากเข้าไปหาอยากจะนั่งใกล้อยากจะสนทนาด้วยอยากจะเจรจาด้วยอย่างเนี้ยคนลักษณะนี้ให้เราเจริญไปหาท่านได้นะเป็นที่รักยังไงหรือบุคคลที่เป็นที่เจริญใจนึกแล้วมีความสุขอะนึกถึงหน้าก็มีความสุขอย่างพระหลายรูปนะนึกถึงหน้าท่านเฉยเนี่ยอันนั้นในลักษณะพระด้วยกันนึกถึงเออเราก็มีแค่นึกถึงหน้าท่านก็สบายใจแล้ว ท่านไม่มีกิริยาอาการที่เร่าร้อนลุกลี้ลุกลนสํารวมสงบสงเง่ยมอย่างเงี้ยเออนึกแล้วก็สบายใจนะอย่างอย่างยกตัวอย่างนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวนะคือกิริยาท่าทางของพระธรรมปิดกเนี่ยเรานึกแล้วเราสบายใจนะไม่ไม่พูดถึงด้านอื่นๆนะแค่สีหน้ากิริยาท่าทางแววตาเคยนั่งฉันกับฉันเออเคยครั้งหนึ่งเนี่ยไปที่วัดท่านแต่แล้วเวลาเพงพอดีท่านก็เลยให้ฉั น, ฉนร่วมกัน ท่านก็ทักทายปราศัยไปยังไงอยู่ยังไงเรียนอะไรศึกษาอะไรนะมันก็คุยเราดีมากเลยโอ้เราก็ผู้ใหญ่ให้ใ ห, ใ, หให้เมตตาต่อเราสบายใจมากเลยบอกว่าบางท่านเนี่ยนึกถึงปุ๊บยิ้มแย้มแจ่มใสได้เลยสบายสบายเลยเรียกว่าเป็นคนที่น่าบอกบุญ ร, รับเลยนะคล <c ười> ้ายลักษณะนี้หันคนที่เป็นที่เราเจริญใจก็เจริญไปหาท่านเหล่านั้นหรือเจริญไปหาคนที่เราเคารพมาก เพราะในตัวคนนั้นมีคุณอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราเคารพยำเกรงอะนะคนลักษณะนี้เราก็เจริญเมตตาให้เขาได้หรือคุณที่ว่าเนี่ยก็คือคุณคือเขาบุคคลนั้นเขาเป็นผู้ที่มีคุณคือศีลจริงๆเขามีคุณคือสุตตะเขามีคุณคือจาระเขามีคุณคือปัญญาเขามีคุณธรรมถ้ายิ่งมีมรรคผลมีนิพพานด้วยแล้ ว, ลวนี่ก็โอ้หน้านาหน้าปรารถนาซึ่งเรา ต้องการเคารพเขาจริงๆหรือว่าเจริญไปหาคนที่น่ายกย่องน่าเทิดทูนยังไงอันต้องหาบุคคลอย่างนี้เนี่ยเป็นที่เราเคารพต้องคิดว่าคงหาได้นะคนในโลกนี้แมไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ยกย่องใครเลยสักคนนี่ก็แสดงว่าเต็มทีมกันนะเนาะแสดงว่าแหง แ, งแล้งและเกินในะชีวิตก็บอกว่าบุคคลที่ไม่มีที่รักไม่มีที่เคารพไม่มีที่เกรงใจชีวิตอยู่เป็นทุกข์นะ คนที่ไม่มีใครอยู่ในสายตาเลยนะเป็นคนที่อยู่ด้วยความทุกข์เหมงอนกันเถอะขณะพระพุทธเจ้ายังมีที่เคารพมีที่ยำเกรงเลยนะพระพุทธเจ้าเคารพใครพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมตอนต้นๆตอนหลังพระพุทธเจ้าก็เคารพสงฆ์ด้วยนะแต่ต้องเป็นสงฆ์ที่มีคุณภาพนะที่ ท, ที่พระพุทธเจ้าจะเคารพได้อนะเพราะฉะนั้นเขาจึงยกตัวอย่างว่าจะเป็นอาจารย์ก็ตามหรือผู้เทียบเท่ากับอาจารย์ก็ตามโดยคุณเนี่ยนะ คนคนนี้เนี่ยสองคนเนี่ยมีคุณธรรมเหมือนอาจารย์เป็ดเลย ค, คือคืออาจารย์ที่ที่ดีจริงๆอ่ะนะไม่ใช่อาจารย์ที่สมัยนี้เขามีคําพูดเน็บแนมครูอาจารย์ทุกวันเนี่ยเรียกว่าอาจารย์คล้ายๆอาจารย์เป็ดอาจารย์ไก่อะไรอย่างเงี้ยหรืออุปชาเป็ดอุปชาไก่อันนี้ตัดออกเลยนะเขาเขาสำนวนเขาว่างกัน ค, คือคือบางบางคนในยุคนี้นะที่จริงพ่อแม่เนี่ยเป็นที่เคารพใช่ไหมแต่พ่อแม่บางคนเนี่ยทําตัววิบัติมาก ลูกหลานเนี่ยพูดถึงคําว่าพ่อว่าแม่เมื่อไรเนี่ยเครียดทันทีเลยมีพระรูปหนึ่งมาบวชอยู่ด้วยอันถ้าพูดคําว่าพ่อคําว่าแม่เมื่อไร่ปั๊บเนี่ยโอ้โหอาการจริงจังถมังตึงเนี่ยออกมาและเพราะพ่อเนี่ยใช้ชีวิตวิบัติมาตลอดใช่ไหมใช้ชีวิตวิบัติแต่นการพนันก็เก่งนะผลานทรัพย์เนี่ยเก่งมากแล้วก็กลับบ้านเนี่ยก็ทุบตีลูกอยู่ทุกครั้งทุกครั้งไปอันนั้นเด็กคนนี้ก็พยาบาทมาจนโตเป็นหนุ่มมาบวชเป็นพระแล้วก็ยังพยาบาทอยู่นั่นแหละ นึกเมื่อไหร่เนี่ยเป็นคู่แค้นกับพอ่อสิะนะอะอย่างนี้ก็มีะนะบางคนก็แม่ที่ใช้ชีวิตวิบัติโลกนึกถึงแม่ก็ก็ไม่สบายใจทุกทีอย่างนี้ก็มีดังการเจริญเมตตาก็ต้องเจริญให้แก่บุคคลที่เคารพจริงๆหรือว่าอุปชาอาจารย์เนี่ยนะอุปชาอาจารย์ของผู้ที่มีคุณธรรมของความเป็นอาจารย์มีคุณธรรมของความเป็นอุปชาอย่างเงี้ยก็ให้เจริญไปหาบุคคลนั้น ที่เราเคารพเทอทูนยกย่องท่านแต่ทีนี้ในบุคคลที่ที่เราจะเจริญไปหาซึ่งจะหล่อเลี้ยงรักษามเมตตาของเราได้เราก็ควรที่จะรู้จักองคุณของผู้ที่ที่เป็นกัลยาณมิตรนะการเจริญเมตตก็คือมิตรใช่ไหมกัลยานี่แปลว่าดีมิตรที่ดีฉันอุปชาอาจารย์เป็นต้นนี่ก็นับว่าเป็นกัลยาณมิตรฉันคุณธรรมของความเป็นกัลยาณมิตร ของคนที่เราจะเจริญเมตตาเพราะเมตตก็มาจากมิตรนั่นเองนะเมตตากับมิตรนี้ก็อันเดียวกันคนที่เราจะเจริญเมตตาให้หรือของคนที่จะเป็นมิตรเนี่ยนะอย่างข้อความในอังคุตรนิกายทัศกานิสัตตกะกานิบาทข้อ34กล่าวว่าโดยกับนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะเจ็ประการควรเคารพควรครบเป็นมิตร ควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ถูกขับไล่ก็ตามถ้ามีคุณธรรม7อย่างเนี่ยนะควรเข้าไปหาถึงท่านจะไล่เราหนีก็ไม่เป็นไรควรเข้าไปหาท่านบ่อยบ่อยว่า ง, งั้นธรรมะ7ประการเป็นฉนิดคือ1นภิกษุเป็นที่รักใคร่พอใจคือองค์นั้นเนี่ยเป็นที่น่าใคร่หน้าพอใจมาก2เป็นที่เคารพนึกว่าจะพูดคุยกับท่านต้องยกมือไหว้ลักษณะ น, น, นี้เป็นที่เราเคารพ เสร็จแล้วก็สามเป็นผู้ควรสรรเสริญควรแก่การสารรเสริญพูดถึงคุณเมื่อไหรก่ก็พูดยกย่องเมื่อไหร่ก็ไม่เหนื่อยหน่ายว่างั้นเถอะเขาเรียกว่าสามารถหยิบยกความดีของท่านมาพูดได้ไม่รู้จักเบื่อว่างั้นแบบควรแก่การสารรเสริญแล้วก็ท่านเป็นผู้ฉลาดพูดคนะนนี้เป็นคนที่ฉลาดพูดคําว่าฉลาดพูดเนี่ยพูดอย่างไรดังคำพูดในทีนี้ต้องเป็นพูดด้วยเมตตาวจีกรรม คำว่าเมตตาวจีกรรมก็คือการแสดงธรรมเป็นต้นนั่นเองเป็นเมตตาวจีกรรมและก็หเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำนะก็คือสามารถที่จะกระทําตามโอวาทท่านได้ขั้นท่านคนนี้เนี่ยมีคุณธรรมพอที่จะให้เราไปลงน้ําเราก็ลงตามได้ลกักษณะเนี่ยนะแล้วก็6กผู้ถ้อยคําลึกซึ้งนะถ้อยคําลึกซึ้งก็คือถ้อยคําที่ปกปิดถ้อยคําที่ลึกลับ เอ๊ท่านพูดเรื่องอะไรนะปกปิดลึกลับนึกออกไหม <c oughs> พูดเรื่องอะไรอ่ะถ้อยคําที่ลึกซึ้งคำภีโระคำภีระถ้อยคําที่ลึกซึ้งอ่ะพูดเรื่องอะไรดีลึกซึง้ง <c oughs> น่าการนี่เจ้าฮะน่ะพูดเรื่องฌานอย่างงี้ใช่ไหมเรื่องฌานเรื่องนัยยะของการเจริญฌานเนี่ยต้องอย่างงี้นะต้องคิดอย่างนี้นะ อุบายในการแก้เรื่องนั้นต้องแก้ด้วยอุบายอย่างนี้นะนึกถึงคําสอนหมวดนั้นนึกถึงธรรมะหมวดนี้นะแล้วตรงนี้ควรคิดแบบนี้บ่อยๆคิดมากๆลักษณะนี่นะนี่เรียกว่ามีถ้อยคําที่ลึกซึ้งโอนี่วิปัสสนาน้นี้เป็นตัววิปัสสนาน้นี้เป็นอารมณ์วิปัสสนานะเนื้อหาวิปัสสนาโยงใยลักษณะใดเป็นต้นสามารถเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังได้หรือผู้ที่สามารถกล่าวถึงมักกล่าวถึงผลกล่าวถึงนิพพานได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีถ้อยคําที่ ลึกซึ้งว่างั้นคนธรรมดาฟังไม่เข้าใจว่างั้นต่อไปนะข้อเจ็ดก็คือไม่ชักนําในทางที่ไม่ดีไม่ชักนําในกายกรรมที่มีโทษไม่ชักนําในการกล่าวเพอร์เจอร์เป็นต้นเนี่ยนะ <P> ur <ge> ur> ไม่ชักนํากล่าวสิ่งที่มีโทษไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยดูกวามพิสูจนทั้งหลายพิสูจผู้ประกอบด้วยธรรมะเจ็ดประการควรเสพควรคบเป็นมิตรควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ถูกขับไล่นะมีคุณธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยนะ แล้วพงศ์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าภิกษุเป็นที่รักใคร่พอใจเป็นที่เคารพควรสารเสริญฉลาดพูดอดทนต่อถ้อยคำพูดถ้อยคำลึกซึ้งไม่ชักนำในทางที่ไม่ดีฐานะฐานะแปลว่าเหตุเนี่ยนะเหตุทั้งเจ็ดอย่างเหล่านี้มีอยู่ในภิกษุใดภิกษุนั้นเป็นมิตรแท้มุ่งอนุเคราะห์แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้ประสงค์จกคบมิตรควรครบมิตรเช่นนั้นแม้จะถูกขับไล่ ผมก็สอนว่าเออมิตรลักษณะนี้เนี่ยควรเจริญเมตตาไปหาท่านแบบนั้นอะ่ะหาคนแบบเนี้ยเพื่อที่จะเจริญเมตตาให้มันโอนเมตตาจากตัวเองไปหาท่านเหล่านั้นนี่ง่ายไหมง่ายนะโอนไปง่ายมากเลยนะฝึกอย่างงี้ให้มันชํานาญบ่อยๆเข้าหรืออีกอย่างหนึ่งซึ่งเราเคยฟังมาครั้งหนึ่งแล้วลักษณะของกลาลยานนะมิตรลักษณะของมิตรที่ดีที่เราควรเจริญเมตตาไปให้ก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คนมีศรัทธานี้ก็เป็นคนที่เราควรเจริญเมตตาไปให้เขามีศรัทธาอะไรศรัทธาเป็นอย่างไรศรัทธามีใหญ่ๆเลยมีสองอย่างนะหนึ่งตถาคตโพธิศรัทธามีศรัทธาในพระตถาคตเจ้าว่าพระตถาคตเนี่ยนะมาแล้วอย่างนั้นอ่าพ่อเสด็จมาอย่างนั้นพราะเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยนะนะศรัทธาในความในคุณของพระตถาคต ที่เป็นพระอรหันต์ตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสตาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จําแนกแจกแจงพระธรรมผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้ผู้ที่ศรัทธาในผู้มีคุณธรรมลักษณะนี้เรียกว่าเป็นคนมีศรัทธาหรือมีกรรมสกทาศรัทธา ศรัทธาในเรื่องกรรมและผลของกรรมศรัทธาว่ากายกรรมวะจีกรรมมนกรรมสิ่งที่ทําคําที่พูดนี่มีผลนะนะวิบากกรรมมชรูปเหล่านี้เป็นผลของกรรมนะนะตาหูจมูกลิน้นกายหายะนะกลุ่มรูปกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นผลของกรรมนะคนที่มีศรัทธามั่นคงในเรื่องราวเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนที่มีศรัทธาคนที่มีศรัทธาลักษณะนี้ก็ควรควรเจริญเมตตาไปหาหรือว่าเป็นคนที่มี ศีล น, นะคนที่ถึงพร้อมด้วยศีลคนที่ถึงพร้อมด้วยศีลก็คือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปาติโมกนะมีอาจาระคือมารยาและมีโคจรคือที่เที่ยวเห็นภายในโทษมาศว่าเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายาผู้ที่มีคุณธรรมรักมีศีลอย่างนี้ก็ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นเป็นผู้ควรสารเสริญนะเป็นผู้โจดเป็นผู้ท้วง คนที่มีคุณธรรมคือศีลอย่างนี้เราก็เจริญเมตตาให้เขาได้เขามีเขาดีจริงๆอ่ะสมควรแก่การเจริญเมตตาควรเป็นบุคคลที่เราโอนความเป็นเพื่อนจากตัวเองเนี่ยไปหาคนเหล่านั้นได้ <c oughs> หรือว่าเพื่อนผู้มีศีลที่ว่าเนี่ยนะเป็นผู้ติเตียนบาปเป็นผู้กล่าวอดทนต่อถ้อยคำของเพื่อนสะพรมจารีะนะถึงท่านก็สามารถแนะนาคนอื่นได้ คนอื่นแนะนําท่านในสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านก็รับได้นะคนที่มีคุณธรรมลักษณะนี้หรือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสุดตักนะย่อมทนถ้อยคำํำลึกซึ้งก็คือสามารถที่จะทำถ้อยคาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของถ้อยคาที่ลึกซึ้งเนี่ยคนละนายกับเมื่อกี้นะตรงนี้ถ้อยคาที่ลึกซึ้งก็คือถ้อยคาเกี่ยวกับสัจจะปฏิจจาริ <c oughs> ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องอริยสัตว์นี้เป็นถ้อยคําที่ลึกซึง้งนะชาติพิทุกขาเกิดเป็นทุกซึ้งปะซึ้งหรื อ, อยังชาราพิทุกขาไงซึง้งหรือยั ง, น, ง น, น, ยนะเขาบอกว่าอะไรชาราอะไรชาราเดี๋ยวจะจะขอสมัครเป็นคนซึงซ้งๆดูบ้างเลยอะไรชาราออะไรชารา ร, ปปรขันรูปอย่างเดียวลรูปอย่างเดียวนะว่าถ้ารูปชราเดี๋ยวน้ำก็ชราไปด้วยใช่ไหม <c oughs> อ่ารูปน้ำขันห้าชราเนี่นะอ่ามีสภาวะรองรับนะที่จริงคำว่าชราก็คืออุปาทานขันห้านั่นแหละที่เรียกว่าชรานั่นนหะปาทานขันห้าก็จำแนกรายละเอียดไปอีกดันั้นคำว่าชราในคำสอนไม่ได้หมายแค่หนังเหี่ยวผมเปลี่ยนสีอะไรแค่นั้นนะนะ อันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเฉยๆแต่ว่าเบื้องเบื้องลึกๆข้างล่างในนั้นนี้อีกมีอีกมากคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเวีย ญ, ญาณนั่นแหละเรียกว่าชาปิทุกขาชาราภิทุกขามารานามปิทุก ข, ขังนะก็คือตัวอุปาทานขันห้านั่นแหละอุปาทานขันห้าทําไมจึงจึงชารานะเราก็ต้องรู้เรื่องของปัจจัยว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้รูปนามชาราทําไมเราจึงแก่ พระมหาพุทธรูปนะก็บอกว่ามันมีเตโชธาดอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมชีรณะเตโชฟังไม่เพราะเลยนะชีรณะแปลว่าแก่นะธาดไฟที่ทําให้ให้แก่ชราธ <c oughs> <c oughs> าดไฟอันนี้เกิดจากสมุทฐานสี่อย่างนะแต่ธาดไฟที่ทําให้ชราเนี่ยนะเกิดจากกรรมก็มีบางคนเนี่ยแก่ตั้งแต่คลอดใหม่ๆเลยกลายคลาดกับเท่าธารกเลยนะคลายอ่ทาท่าธารกคนละข้ามกันนะเนาะ ท่าทารกก็คืออายุมากแล้วแต่ทาตัวเหมือนเด็กๆแต่บางคนเนี่ยเด็กแต่หน้าเหมือนกับผู้เฒ่าเลยเหมือนกับผู้อายุมากเลยนะเคยเห็นในหนังสือพิมพ์เด็กคนหนึ่งคลอดมาใหม่ๆเลยนะโอ้หน้าเนี่ยแกเลยอเออมีนะคนอย่างงี้จนผเป็นโรคอย่งัยงแต่ก็เหตุไกลหน่อยก็คือเรื่องของไม่พ้นกรรมนะ คนที่สามารถกล่าวถึงเรื่องขันท่าอริยตนะเรื่องปฏิจจะเรื่องอริยสัจได้คนลักษณะนี้ที่มีคุณธรรมด้านอื่นๆรองรับด้วยนะก็เป็นบุคคลที่เราควรเจริญเมตตาไปให้หรือคนที่มีจาระสมบัติจาระก็คือการเสียสละคนที่มีจาระในแบบคารวาสเนี่ยนะคนที่ให้ทานได้มากๆนี่เราก็อาจจะนึกกันออกกันนะ แต่ถ้าหากว่าพระเนนด้วยกันเนี่ยคนมีจาระคือคนอย่างไรอัน น, นัสมณะที่มีจาคะคือสมณะเช่นไรเจนผ่านเจนผ่านสมณะที่มีจาคะทางาศาสนาคือเป็นผู้ที่มักน้อยก็คือรู้ว่าความเหมาะสมของตัวเองเท่าไหร่ที่เหลือโอนให้คนอื่นหมดเลยเรียกว่ามักน้อยสารโดดหรือว่าชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะไม่คลุกคลีด้วยกิจที่ไม่สมควรนะสมณะเหล่านี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีจาคะามีความเสียสละเสียสละทั้งวัตถุด้วยวัตถุภายนอกนะความมักน้อยสันโดษเนี่ยก็คือความเสียสละของท่านละวัตถุภายนอกแล้วก็ความชอบสงัดไม่คลุกคลีเป็นต้นท่านก็มีจาคะภายในด้วยจาระจากบาปจากอากุศลธรรมจา ก, กจิตใจท่านและมี กัลยาณมิตรผู้มีคุณธรรมคือถึงพร้อมด้วยถึงพร้อมด้วยความเพียรขยันขยันในที่นี้ก็คือริเริ่มมีความเพียรริเริ่มริเริ่มอย่างไรนะริเริ่มในการเจริญกุศลธรรมริเริ่มในการล ะ, ะกุศลธรรมและต่อไปนะเป็นผู้ที่มีถึงพร้อมด้วยสติมีสติตั้งมั่น ถ้าทั่วไปเราก็เคยได้ยินคําว่าสติก็คือการระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้ได้นานแล้วหรือว่าคนที่มีสติก็นึกถึงสัมปชัญญะบับพภะก็ได้ผู้ที่ฝึกในลักษณะนั้นก็คือผู้ที่มีสติเพราะส่วนใหญ่แล้วในคัมภี์ท่านอธิบายถึงเรื่องสติก็คือสติในที่เจ็ดสถานเจสถานคืออะไรบ้างทบทวนวิชาเก่านะ หเจตสถานก็คือหนึง่งจะไปจะมาว่างัานแทะในการก้าวไปถอยกลับญญนั่นแหละสัมปชัญญะกับสติก็ในยะเดียวกันเจนพรสติถ้ามีที่ไหนมีคําว่าสตินะให้รู้เธอะว่าตรงนั้นมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยที่ไหนมีคําว่าสัมปชัญญะที่นั่นขอให้รู้ว่ามีสติอยู่ด้วยเพราะธรรมะคู่นี้เป็นผะหุปการกาธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะ สติกับสัมปชัญญะนะหนะึ่งะในการก้าวไปในการถอยกลับข้อ2ในการแลเหลียวนะเหลียวซ้ายแลขวาสงเคราะห์สัมปชัญญะ4เข้าไปนะผู้ที่ฝึกลักษณะนี้บ่อยๆแล้วต่อไปอ่าคูเข้าเหยียดออกนะการคูแขนการเหยียดแขนต่อไปในเรื่องของการนุ่งหม่มนะการนุ่งหม่มแล้ว้อต่อไปอีก เกี่ยวกับเรื่องการขบฉันกินดื่มเคี้ยวลิ้มข้อต่อไปอีกก็การเข้าทำสรีระกิจเข้าห้องน้ำนะถ่ายอุจาระปัสสาวะและข้อสุดท้ายก็คือการยืนเดินนั่งนอนนิ่งหลับตื่นพูดพวกนี้ก็มีสัมปชัญญะสี่ผู้ที่ฝึกเรื่องราวเหล่านี้มากๆเขาเรียกว่าคนที่มีสติมีสติดี แต่ถ้าเราหลงลืมสติก็คือทำไงเอาไครมาตรวจสอบว่าเราไม่ค่อยมีสติเลยนะเอาสัมปชัญญะสี่มาจับเลยนะถ้าสัมปชัญญะนึกไม่ออกสักข้อเลยแสดงว่าโหนี่หลงจริงๆเลยหลงจนะนหลับเลยแล้วก็ต่อไปก็มีสมาถึงพร้อมด้วยสมาธิคนที่ถึงพร้อมด้วยสมาธิก็คือคนที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านนะมีจิตไม่ฟุ้งซ่าน นั่งอยู่แห่งเดียวเนี่ยโหคิดเป็นพันเรื่องอคนลักษณะนี้ก็ไม่ไหวเจริญเมตตาให้เดี๋ยวใจเราจะเป็นแบบคนนั้นเลยนะคิดถึงหน้าปั๊บเนี่ยโหฟุ้งเลยนะคนบางคนเนี่ยนึกถึงหน้าอย่างเดียวฟุ้งเลยอะ่ะแสดงว่าอย่างนี้อย่าเพิ่งเจริญเมตตาให้เขาเลยเอาไว้ก่อนหรือไม่ก็เจริญเมตตาให้กับผู้ที่มีมีปัญญานะคนที่ถึงพร้อมด้วยปัญญา คนที่มีปัญญาก็คือรู้ว่าสภาวะที่วิปริตอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษนะฮั้โหคนที่มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาระมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยคนที่มีคุณธรรมเหล่านั้นเราสามารถที่จะเจริญเมตตาต่อจากเราได้เสร็จแล้วเจริญให้ตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆนึกไปหาบุคคลนั้นคนที่ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะจะเห็นลักษณะของเมตาก่อนนะ พ่อมาเจริญให้ตัวเองเนี่ยมันมีความเย็นระดับหนึ่งแล้วนะถ้าด้วยน้ำสายใจจริงจริงเจริญให้ตัวเองเสร็จแล้วโอนไปหาบุคคลต่อไปอย่างที่ว่าเนี่ยนะมันจะมีความเย็นอยู่ระดับเดียวกันเลยเวทนาไม่ต่างเลยความรู้สึกไม่เปลี่ยนมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนอย่างนี้ก็ก็เจริญต่อไปอ่ถ้าหากว่าหาคนแบบนี้ไม่ได้ทำไงาหาอีกคนหนึ่งนะบอกว่าพึงระลึกถึงเหตุแห่งความเป็นคนน่ารักน่าชอบใจ นะเรียกว่าหาคนที่เราเคารพนะเช่นคนที่เขามีการให้ทานมีการแบ่งปันคนที่มีปิยะว่าจะพูดแต่ถ้อยคําเป็นที่ที่เคารพนะเอ่อที่น่ารักอะ่ะปิยะก็คือน่ารักอ่ะนะหรือผู้ที่มีอัตเจริยาหรือคนที่มีสมานตาตาเรียกว่าเจริญเมตตาไปหาคนที่บําเพ็ญสังฆาวัตถุ ก, ก็ได้นะคนที่ประพฤติ สังกหาวัตถุสี่ประการก็เจริญเมตตาไปหาบุคคลเหล่านั้นก็ได้อย่างอุบาสกสมัยก่อนคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าอุบาสกเขาเป็นคนที่มากด้วยสังกหาวัตถุสี่อย่างเขามีบริวารห้ารอคนก็บอกว่าบริวารของเขาบางคนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเหลืออันนี้คือฐานของเขาบริวารบางคนเนี่ยต้องการแค่ถ้อยคําที่ดีนะถ้อยคำเพราเพราะเป็นต้นเขาก็จะให้แก่ ถ้อยคำที่ดีถ้อยคำที่ไพเราะเป็นต้นถ้อยคำบางบริวารของเขาบางคนต้องการให้เขาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เขาก็ทำบางคนต้องการความวางตัวเสมอเขาก็วางตัวเสมออันบริวารเขามีเยอะเขาเขาประพฤติสังฆะวัตถุ4ประการอันคนที่มีคุณสมบัติลักษณะนี้เราก็เจริญเมตตาไปให้เขาได้หรือเหตุแห่งความเป็นคนที่น่าเคารพ หน้ายกย่องหน้าเชิดชูมีศีลมีสุตะมีทุตธรรมว่าไ ง, งดีกาท่านอธิบายว่าอย่างคนที่มีศีลมีสุตะมีจาระหรือผู้ที่รักษาทุดงนะถ้าเป็นพร ะ, จะเจริญให้พระด้วยกันเนี่ยนึกถึงพระที่ท่านเคร่งครัดในทุดงค่ะคุณทุดงนี้แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลา่านะความข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ขัดเกลว์หรือพระที่ท่านมีชาคริยาธรรม ชาคริธรรมก็คือทําเป็นเครื่องตื่นคนนอนน้อยเดินจงกรมมากนั่งสมาธิมากอ น, นะการยืนการเดินการนั่งนี้ก็ถือว่าเป็นอิริยาบทใช่ไหมอิรยิรยาบทเป็นกุศลหรืออกุศลอ่าไม่หลงนะแสดงว่าเก่งมากชวนหลงยังไม่หลงเลยแสดงว่าตรงทางอ่ะนะอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นอัพยกตะ แต่คนที่ยืนเดินนั่งนอนได้อย่างยาวนานและทำอย่างมีความสุขนั้นแสดงว่าเป็นไปกับกุศลอันคนที่เดินจงกรมนะเดินมากๆไม่ใช่ว่าเดินแล้วเครียดนะเดินแล้วออเหมือนกับโอ้โหไปเดินมาซะเหนื่อยล้าเลยถ้าเดินจงกรมตามจเจริญกุศลไปด้วยนะั้นจะไม่มีเหนื่อยจะไม่มีล้าหรือคนที่นั่งสมาธินั่งนานๆห ล, ยลายชั่วโมงนะถ้าเป็นสมาธิจริงๆนะออกมาจะสดชื่นกว่าตอนเข้า นะตอนเข้าไปในห้องกับตอนออกมาเนี่ยความสดชื่นจะต้องแตกต่างกันอันนั้นจึงจะเป็นลักษณะของสัมมาสมาธิแต่อย่าลืมว่าการศึกษาในคําสอนนั้นอะ่ะต้องเป็นเราว่ามองให้มันตลอดสายนะถ้ามองช้างก็ควรจะมองทั้งตัวไม่ใช่เอาแต่ขามาอย่างเดียวเอาแต่หางมาอย่างเดียวเอามาแต่หูมาอย่างเดียวมีนะสมัยสมัยก่อนเนี่ยพ ร, ราชาคนหนึ่งก็ชอบเล่นอะ่พระพราชาเนี่หาเรื่องค้าๆมันหนึ่งคิดเออตาบอดในเมืองสาวาถีนี่มีเยอะไว้ ก็เลยสั่งให้เชิญคนตาบอดเนี่ยมาประชุมกันที่สนามหลวงให้เอาช้างมาตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็สั่งทหารบอกทหารแสดงช้างให้ตาบอดนี้ดูสิทหารก็จับมือเลยไปจับที่เท้าของช้างเห็นไหมทหาราก็จับเอาตาบอดอีกคนหนึ่งไปจับที่หูบางคนก็จับที่ตัวบางคนจับที่หางบางคนจับที่งวงบางคนจับที่งาเสร็จแล้วพระราชาก็นั่งถามเป็นไงท่านเห็นคนตาบอดกันแล้วหรือ ข้าพเห็นแล้วกรถามเออช้างเป็นยังไงคนที่จับเหมือนจับเท้าบอกเหมือนเสาเปี๊ยะเลยเับว่าคนนึงจับหางมาบอกเหมือนไม่กวาดเหมือนกันนะค น, คนตาบอดเนี่ยไ อ, อ้คนเนี่ยทําไมมันพูดไม่เหมือนเราเสร็จแล้วตาบอดปีกันใหญ่เลยเนะื้ทะเลาะกันพระราชาหาเรื่องครับนั่นแหละเขาบอกว่าการช้างตาบอดก็จะเป็นในลักษณะนั้นการศึกษาคําสอนถ้าไม่ตลอดสายก็จะเป็น ลักษณะนั้นจะรับส่วนหนึ่งปฏิเสธอีกส่วนหนึ่งซึ่งคําสอนนั้นส า, าสถังสัพยัญนชนะถึงพร้อมด้วยนะบริบูรณ์ด้วยพยัญชนะนะถึงพร้อมด้วยอัฏฐะศาสถังสัพยัญชนะงเกวละลังเนติปกรณบอกว่าเกวลังในที่นี้หมายถึงพระนิพพานนั่นแหละเกวลังก็คือสิ้นเชิงนั่นเองบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะประกาศพรหมจันทร์คือพรหมจันทร์คือ อธิศีนอธิจิตอธิปัญญานะังนั้นจะต้องมีเบื้องต้นมีท่ามกลางและมีที่สุดังนั้นคำสอนนี้จะมีในลักษณะ น, นี้เลยังนั้นการเจริญเรื่องเมตตาเป็นต้นก็เหมือนกันพยายามมองให้ให้ตลอดสายอ่าวิธีการเจริญก็ท่านยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าเอสซา ป, ปุริโซสุขิโตโฮตุนิทุโคว่าไน ท่านผู้เป็นสัตบุรุษผู้นี้จงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขไม่มีความทุกข์เถอะนะตัวอย่างอะนะตัวอย่างก็เหมือนกับเจริญให้ตัวเองใช่ไหมข้าพเจ้าจะได้มีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ท่านสัตบุรุษผู้นั้นมีความสุขด้วยนะลักษณะนี่นะโอนไปเรื่อยๆเจริญเมตตาให้ตัวเองมากเท่าไหร่ก็สามารถโอนไปหาคนอื่นได้มากเท่านั้นไปหาบุคคลที่เราเคารพนี้ได้มากเท่านั้นอนนะ เมื่อบุคคลเห็นปานชนีอัปปนาย่อมสำเร็จแน่แท้คือคำว่าอัปปนาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงชาญาจิตอะไรนะแต่บางท่านก็อาจจะเป็นชาญาจิตก็ได้นะเขาบอกว่าพโยคีผู้ปรารบภาวนาเจาะจงบุคคลผู้เช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีปกติกระทำภาวนาให้ดำเนินไปในบุคคลผู้สมควรและเธอนี้ก็สำเร็จภาวนาในบุคคลนั้นได้ง่ายเจริญตัวเองเสร็จไปหาท่านเหล่านั้นก็ง่าย ฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเสร็จแล้วอย่าลืมว่ากุศลธรรมนั้นมีเวทนาเกิดร่วมกี่อย่างกุศลธรรมมีเวทนาเกิดร่วมหนึ่งโสมนัสเวทนานะของพวกเราทั้งหลาย<ส>เป็นมหากุศลใช่ไหมเวลาเจริญมหากุศลนั้นจะต้องเป็นโสมนัสสี่ดวงเป็นอุเบกขาอีกสี่ดวงต้องต้องสังเกตดูนะแต่ท่านนึกแล้วแหมต่างิหตุต่างเหตุหตหแม่แถบว่าไม่ใช่แล้วและอย่างหนึ่ง ในการเปรียบเทียบเรื่องเมตานั้นก็สังเกตดูนะเบาจิตเบาขึ้นไหมนะมุทุตากรรมยาตาปาคุญยาตาและหูตาเนี่ยนะสังเกตดูจากสังเกตพวกนั้นอนะ่ะถ้ามันเบามันอ่อนหรือปรับระดับว่าเออ ก, ก่อนมาเจริญนี่มันสบายใจกว่า น, นี้เฮพอมาเจริญเข้าเอ๊ะทำไมมัไม่เบื่สบายกว่าเก่าเลยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนั่นก็ตรวจสอบดูได้เลยว่าผิดพลาด ทีนี้ต่อไปว่า <c oughs> ก็พิกษุนี้ <c oughs> อย่าถึงความยินดีด้วยความสำเร็จเพียงเท่านั้นเลยไม่ใช่เจริญไปหาได้อสองคนพอละก็บอกว่าอย่าอย่าเอาแค่นั้นนะควรเป็นผู้ใคร่จะทำสีมาสำเภทะทำลายเขตแดด น, นะก็คืออย่าไปติดอยู่แค่นั้นควรที่กระจายกระจายความกระจายตัวเมตตานี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในลำดับต่อจากบุคคลเป็นที่รักที่เจริญใจน่าเคารพและน่ายกย่องนั้นก็เจริญเมตตาไปในบุคคลผู้เป็นสหายที่รักยิ่งใช่ไหมบุคคลที่ที่สามที่ต่อจากเราเนี่ยนะถ้าเป็นบุคคลที่เรารักเนี่ยหาอาจารย์ปุ๊บเสร็จแล้วไปหากับคนที่เราเรารักเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรการเสร็จแต่ก็ต้องไม่ใช่โลภะเกิดอีกนะต้องสังเกตระดับของเมตตาที่ในตัวเองอย่างไรในอาจารย์อย่างไรแล้วคนที่สามเป็นอย่างไรเนี่ยนะ มั้นค่ะว่าถ้ากอไก่เหมือนขอไข่นะเสร็จแล้วขอไข่เหมือนกับคอควาเนี่ยถามว่าขอควาเหมือนกับกอไก่ไหมเหมือนไหมเอาใหม่มหมนะอ่ <laughs> นะกอไก่เนี่ยเหมือนขอไขเ่เปี้เลยที <laughs> นี้ขอไข่นี่เหมือนกับคอควาอ่ะเสร็จแล้วคอควา ก, กับกอไก่เหมือนกันไหมเออต้องเหมือนกันนี่นะเ <m uch ing> มตตาก็ต้องเป็นอย่างนั้นแนะ <laughs> หละพอใจเอ๊ะึ้นต้นก็ดีดีไปนานๆเข้าเอ๊ะเป็นอะไรวะเนี่ย จเจริญไปจเจริญมานึกถึงเพื่อนเออใช่เว้ยเรานัดกันจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไปกันเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะโอ้วันนี้นั่งจเจริญภาวนาได้ชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนะเจริญนั่งชวนกันไปเที่ยวท่างเนาะเหมือนกันอันนี้ทิ้งเมตตาไปนานแล้วเนอเราก็ต้องแยกนั้นเมตตานั้นสักจับนิมิตของเมตตาไว้ให้ดีนิมิตเขาคือปิยมนาปะเป็นที่รักแล ะ, จะเจริญใจแล้วจิตใจขณะนั้นจะต้องไม่ไม่ฟุ้งฟ่านไม่สับสน แต่ถ้ามันฟุ้งซ่านสับสนทํำยังไงนะไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วเลิกเลยเออไม่เป็นก็เลยเลิกเลยนะไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนอะไม่มีอะไรใครเป็นแต่อ้อนแต่ออกหรอหรอกมันสา ม, มารถที่จะฝึกได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคําสอนคําสอนนี้เป็นคําสอนเพื่อเพื่อการฝึกนะแล้วยิ่งคนที่สายโทรศัพ์อยู่แล้วเนี่ยมาเจริญอย่างงี้แหมห่วยยากจริงๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าอดทนต่อไปก็สา ม, มารถที่จะ ฝึกได้สำเร็จเหมือนกันเสร็จแล้วนะต่อจากบุคคลผู้เป็นสหายที่รักยิ่งก็เจริญเมตตาไปในบุคคลผู้เป็นกลางๆคนธรรมดาทั่วไปเลยนะแสดงว่าเจริญไปหาคนธรรมดาปุ๊บนะเมตายังอยู่หรือเปล่าก็มาเทียบกับตัวเองเอ๊ะ เ, เ, เรากับคนกลางๆเนี่ยยังเมตตาเท่ากันไหมนะแสดงว่าต้องเหมือนกันนะเสร็จแล้วต่อจากบุคคลผู้เป็นกลางๆ ก, ก็เจริญเมตตาในบุคคลผู้มีเวรกัน ศันะตรูนี่เอาไว้สุดท้ายนะและเมื่อเจริญก็ควรจะทำจิตให้อ่อนควรแก่การงานแต่ละส่วนแต่ละส่วนน้อมเข้าไปในบุคคลผู้มีลำดับถัดไปถัดไปจากบุคคลนั้นนะสลับกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยฝึกให้ชำนาญเลยนะทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่มีศัตรูเลยทำไงท่านก็ยกว่าส่วนเพิกโซรูปใดไม่มีบุคคลผู้มีเวรกันก็ดี เขาบอกว่าคนที่ไม่มีเวรกันะนะก็คนที่ไม่มีเวรด้วยเหตุคือโดยไม่มีบุคคลผู้สร้างความหายนะได้ไม่มีใครทำความเสียหายให้แกเขาเลยในชีวิตเนี่ยในอย่างหนึ่งนะหรือโดยประการท้งปวงเพราะกําลังของกรรมเขามีบุญมากอะ่ะจนไม่มีใครเนี่ยมาทำความเสียหายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เขาเลยหรือเพราะประโยคาสมบัติในปัจจุบันของเขา เขามีประโยค่าดีอะนะไม่มีใครทำอันตรายแกเขาได้ไม่มีใครทําอะไรให้เขาเสียหายได้ฉะนั้นประโยคะนี่มีความสําคัญมาก น, นะถ้าหากว่าภิกษุผู้ไม่มีเวรแบบเนี้ยแม้เมื่อผู้อื่นกระทาความเสียหายให้ก็ไม่เกิดความสําคัญว่าเป็นคนมีเวรกันเขาทําความเสียหายให้ขนาดไหนก็ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเวรเราเนี่ยเพราะความที่เธอเป็นคนจําพวกมหาบุรุษก็ดี คำว่ามหาบุรุษในที่นี้หมายถึงว่ามีอัธยาศัยเนี่ยประเสริฐมากเหมือนั้นขนใจใหญ่ใจกว้างขวางโดยความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณคือมีขันติมีเมตตามีกรุณาเอื้อเอ็นดูอย่างไงที่พรั่งพร้อมแล้วเพราะการสั่งสมมาตลอดการนานคือเขาเป็นคนดีโดยอัธยาศัยเหมงอนันเนี่ยดีมากเพราะสะสมอบรมมาเหมือนพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์นี่บางชาติเนี่ยใครทําอะไรให้ยังไงก็ไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกโกรธยัง หน้าเชื่อนตาบานด้วยจิตที่มีเมตตาอยู่นั่นแหละท่านอธิบายว่าภิกษุผู้เป็นเช่นนั้นย่อมเป็นผู้อดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถือสาความผิดของคนอื่นแม้สักเท่ายิเส้นญ้าว่างั้นไม่สําคัญว่ามันเป็นความผิดอะไรเลยทราบอย่างหนึ่งภิกษุนั้นนะนะคนที่มีคุณธรรมคือคนที่ไม่มีเวรเลยเนี่ยนะไม่ต้องทําความพยายามว่า เมตตาจิตในบุคคลผู้เป็นกลางๆของเราเกิดเป็นธรรมชาติที่ควรแกการงานแล้วบัดนี้เราจะน้อมเมตตาจิตนั้นเข้าไปในบุคคลผู้มีเวรกันต่อกรเพราะมีแต่คนเขามีแค่คนหนึ่งคนที่เขาระตัวเองคนที่เขาเคารพคนกลางๆนะเพื่อนเท่านั้นเองคนมีเวร น, นี้ไม่มีเล ย, เยนึกหาศัตรูไม่เจอเลยในโลกนี้ให้เราโกรธใครอยู่บ้างวาตอนนี้หาไม่เจอเลยอะ เออคนอย่างนี้แจ๋วมากหายากพอสมควรแต่ว่าเขาจเจรียกว่าออคนลักษณะนี้เป็นมหาบุรุษเหมือนกันนะมหาแปลว่ายิ่งใหญ่นะเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่บางั้นก็บอกว่าใครทําอะไรให้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่โตเท่ากับกว่าเส้นหญ้าอะไรหรอกไม่ได้นึกอะไรมันนะเป็นเรื่องธรรมดาไปนะคนเรามันผิดพลาดกันได้อะไรกันได้ อ, อ็บางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะขนาดเรื่องราวใหญ่โตเลยนะเขามองเป็นเรื่องนิดเดียวจริงๆริงเลยนะไม่ได้รู้สึกเครียดอึดอัดหงุดหงิดไม่มีทักอย่าง มองปัญหาอย่า ง, างทะลุโปรโลงหมดเลยนะบางคนเนี่ยมีปัญญาขนาดนั้นนะ่ะจนไม่รู้สึกว่ามีอะไรทําให้เขาเครียดบ้างเลยไม่มีอน่ยเพราะเขามองแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยออกอย่างตลอดสายนะแต่ว่าคนมีปัญญานะ่ะคนมีปัญญาลักษณะนี้การเจริญเมตตาก็ชื่อว่าไม่มีใครมีเวรเลยอะ่ะเมื่อไม่มีใครมีเวรก็น้อมจิตไปในหนึ่งตัวเองสองคนที่เราเคารพสาม เพื่อนรักสี่คนที่เป็นกลางกลางกันนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าคนมีเวรนี้พระพุทธโคสอาจารย์ท่านบอกว่าหมายถึงคนที่มีศัตรูกันนะแล้วค่อยต่อให้คนที่มีเวรกันถ้าไม่มีเวรก็เจริญไปได้เลยอย่างนี้ส่วนลำดับของการเจริญเมตตานั้นมันมีอยู่ในหน้าท้ายๆซึ่ง ซึ่งมีวิธีการเจริญขยายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเพราะว่าไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ในที่เราจะแสดงต่อไปนั้นหลังจากนี้จะแสดงถึงอุบายในการระ ง, งับความโกรธซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าเมตตาจริงๆนั้นก็สามารถที่จะเจริญตามนี้ได้ ตรงไหนก็ขยายจากตัวเองก่อนใช่ไหมจากที่ว่าไปลำดับเสร็จแล้วก็เจริญไปในวัดเจริญไปหาเทวดาเจริญไปเป็นถนนเป็นซอยเป็นอะไรเนี่ยนะค่อยๆขยายก่อนนะนะคือขยายจากลักษณะเนี่ยนะ ครับผมหน้าหน้า46่สกนะห น, หน้า46 47เนี่ยกล่าวถึงลำดับของการเจริญเมตตามเมื่อเจริญตามนั้นไปแล้วอะ่ะนะท่านก็บอกว่าเหมือนอย่างชาวนาผู้ฉลาดย่อมกำหนดสถานที่ต้องไถแล้วจึงจะไถฉันใดพยโยคีก็พึงกำหนดอาว่าที่อยู่ แห่งเดียวก่อนทีเดียวแล้วก็เจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายในอาวาสแห่งนั้นโดยในว่าขอสัตว์ทั้งหลายในอาวาสนี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดดังนี้เป็นต้นฉันนั้นเหมือนกันอย่างในหน้า47ก็กล่าวว่าทําจิตให้อ่อนควรแก่การงานในสัตว์เหล่านั้นได้แล้วพึงกําหนดอาวาสสองแห่งต่อจากนั้นก็กำหนด3มแห่ง4แห่ง5แห่งจนถึง10บแห่งหรือเป็นถนนเลยถนนสายหนึ่งครึ่งละแวกบ้านละแวกบ้านชนบทอาณาจากักรเป็นทิศจนกระทั่งถึง จักรวาล น, นี้ก็ค่อยๆขยายไปตามลำดับแบบนี้ก่อนมาใช่พักหนึ่งมานั่งแพหมดเลยแต่นั่งแพหมดเลยก็มันเมตตาหรือเปล่าเพราะเมตตาต้องมีนิมิตใช่ไหมนิมิตของเมตตาคืออะไรปิยะมนาปะถ้าโอ้โหสัเพสตาทั้งหมดเลยนะโดยที่ปิยะมนาปะไม่เหลือแล้วเนี่ยไม่ใช่เมตตาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมว่าอารมณ์ของเมตตาเนี่ยนะต้องนึกถึงนิมิตของเมตตาให้ได้ ว่าทุกคนเนี่ยน่ารักน่าเจริญใจหมดเลยนะอย่างเงี้ยคนทั้งเชียงใหม่นี่น่ารักหมดเลยลักษณะเนี่ยนะมีความสุขกันทุกคนนะอย่างเงี้ยสากล้านึกได้ลักษณะนี้บ่อยๆแล้วเจริญไปจังหวัดอื่นๆต่อไปอีกได้แต่ในชั้นต้นก็ถนนหน้าบ้านเราก่อนนะจากบ้านเราก่อนจากคนในละแวกบ้านเทพพเจ้าที่อยู่ในบริเวณบ้านแล้วก็ขยายพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้ขยายเป็นถนนเป็นเส้นไปนะแล้วก็เจริญเจริญขึ้นจะเป็นจังหวัด จากจังหวัดไปเป็นภาคจากภาคก็ไปเป็นระดับประเทศจากประเทศก็ไปหลายๆประเทศจากประเทศเป็นทวีปจากทวีปก็เป็นเป็นอะไรเป็นโลกเลยหมดโลกแล้วก็โลกอื่นๆจากกวานอื่นๆเทวดาวไปให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั่นแหละโอ้ถ้าใจใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะเรียกว่าอับประมาญยาเลยละ่ะอ้เนะีเป็นคนมีฌานแล้ได้ระดับฌานแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องมันฝึกเอาว่างไงเป็นคิดฉลาดตัวไหน เป็นเนคขมวิตกก็ได้โอ้เยอะยะนะ <c oughs> คิดฉลาดเวลาหมดพอดีครับ